ปกหลังพื้นหนังสือเป็นสีม่วงอมดํามีข้อความพิมพ์ว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดรูปร่างหน้าตานี้ก็เป็นวิบากกรรมนะผิวพรรณเธอสะอาดสะอา้านเพราะเคยอยู่ในกรอบศีลสัตว์รูปศีรษะมนหน้ามองเพราะเคยอ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนไหว้ง่ายไหว้สวยและถ้าผมเห็นไม่ผิดจุดเด่นของเธอคือมีในตาเป็นประกายลึกดูสวยสะกดจิตสะกดใจใครๆได้ตั้งแต่แรกพบอันนี้ก็เพราะเคยมองพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์ และมองใครต่อใครรอบตัวด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดชีวิตในอดีตชาตินั้นเครื่องหมายคําพูดปิดดังตรินเริ่มเป็นที่รู้จักจากนวนิยายเรื่องในเครื่องหมายคําพูดทางนฤื้พานซึ่งผ่านสายตาผู้อ่านนิตยาสารบางเกาะเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ความถนัดของเขากลายเป็นการนําเสนอเรื่องแนวใหม่ที่นําคนอ่านเข้าไปผูกพันกับจินตนาการโลดโผนสาสตร์อารมณ์ด้วยคลื่นอักษรหลายรูปแบบขณะเดียวกันเหมือนสะกดใจ